เป็นธรรมะชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งรู้ว่าเป็นการาสร้างลายะติธรรมเลยชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอาจจะตายในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะมีโอกาสตายได้ทุกเวลาในช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะนั้นญาติธรรมที่ยังมีความทุกข์อยู่เนี่ย ก็ขอให้นําเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจำวันทำไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์มันจะลดลงแล้วก็หรือหมดไปในที่สุดเท่ากับว่าทำให้เรามีชีวิตที่มีสาระและก็มีคุณค่าดีเส ก, กว่าที่เราเกิดมาแล้วไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสติเลย เรืงการนำเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นถ้ากิว่าเราไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งพบกับุทธศาสนายิ่งแล้วถือว่าเป็นสิ่งดีมีอกาสแล้วก็โชคดีกูดบาย